หมดไปอันนู้นอันนี่ก็หมดไปหูก็หมดไปเสียงก็หมดไปนันไม่เที่ยงลูกนี่เกิดขึ้นแล้วแก เ, เจ็บตายไปลูกทำนามทำนี่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วหายไปนันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน ทิงเอตไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเหนื่อยน่ายเหนื่อยน่ายควงไม่เที่ยงเหนื่่าความเป็นทุกข์เหนื่อยน่ายความไม่ใช่ตัวใช่ตนนั่นถือเป็นทางแห่งพระนิพพาน โดงแล้วหลงอีกเหนื่อยหน่อยไหมความหลงทุกแล้วทุกอีกเหนื่อยหน่อยไหมความทุกเรียกว่าช่อปันจึงจําเป็นต้องปฏิบัติธรรมเพราะจําเป็นเราไม่จําเป็นจะต้องหลงไม่จําเป็นต้องทุก ทำไมเราจึงทุกข์ทังหลงถึงโกรธทังเศร้ามองมันไม่จําเป็นจะแก่หรือไม่แก่ไม่ใช่จะหลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายสิ่งเหล่านี้ม่นแก้ได้การดับไม่เหลือแห่งทุกข์การดับความหลงไม่เหลือการหาความโกรธไม่เหลือมีอยู่ ไม่ใชมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่เราเช่นหลงกับรู้อยู่ด้วยกันจันละมุมมันหน้ามือหลังมือทุกข์กับความไม่ทุกข์อยู่ด้วยกันหน้ามือหลังมือเกิดกับความไม่เกิดแก่กับความไม่แก่เจ็บกับความไม่เจ็บตายกับความไม่ตายอยู่ตรงกันข้าม ง่ายที่จนเก่งง่ายๆดับได้อยู่ดับได้อยู่คือของจริงดับมาเหลือแห่งทุกข์มีอยู่และทําแล้วดับไปแล้วทุกข์มากําเหลือขึ้นอีกแล้วไม่มีที่ให้ตั้งบอกึ้นหมดแล้ว จึงได้ชื่อว่าเราได้ตัดจะรู้พ้อเฉเพาะด้าแล้วทุกไม่กำเริบ อ, อีกแล้วนี่คือพระโอษของพระเจ้าใครๆก็ได้ยินเราก็เลยมาตามรอยตรงนี้ ก, กัน เวลานี <c oughs> ที่ทำให้เราเข้าถึงภาวาเชื่นี้ได้ก็มีหลวงพ่อเทียนถ้าปฏิบัติธรรมก็จะ่ลืมหลวงพ่อเทียนไม่ได้แม้แต่หลวงตาเองที่น่าพูดอยู่นี่เป็นส่วนทั้งหมดของหลวงพ่อเทียนถ้าไม่มีหลวงพ่อเทียน ทองมาตรฐานสภาพแคนน่นี้แมบ้าป่าสุกโตได้กอจะไม่มีด้วยช่องไปเพราะหลวงพ่อเทียนทำให้เกิดนี่ขึ้นมาถ้าจะมาเห็นเทียงแต่นี่มันไม่ใช่มันลึกเข้าไปหลวงพ่อเทียนเราก็เป็นสิทธิ์ที่มีครู เปียนตามพ่อกู่ตามครูมาครูของเราก็หลวงพ่อเทียนบุญลมวัครูคือพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเทียนยุตสอนให้เรารู้จักธรรมะรู้จกักภาษไทยของพระพุทธเจ้าเมตใจของหลวงพ่อเทียนก็รู้จักธรรมะรู้จักพระพุทธเจ้า พระเจ้าจะแดงว่างไม่เคยมีใครสอนมาพบหลวงพ่อเทียนทางก็สอนให้มีสติรู้ซื่อๆ ส, สัมผัสกับภาวะที่รู้ซื่อๆโอ้ยอยากจะล่องให้คนมาดูมันหลงก็เห็นซื่อๆ อันหลงไม่มีรสชาติมันทุกข์เห็นท่วมทุกข์ซื อ, ซ, อ, ซ, อ, ซ, อซื่อเดินเห็นทุกข์ซื่อซื้อไม่เคยทุกเป็นรสชาติความทุกข์สุขเป็นรสชาติความสุขไม่ใช่เลยอันซื่อซื้อโอ้ยอย่างนี้ใครก็ทำได้้วเนแ่ลใครใก็ทำได้ควาว่ารู้ซื้อซือเนี่ยมีอยู่แล้วทุกคน ว่ารู้ซื่อๆรู้แล้วมันหลงรู้แล้วมันโกรธรู้แล้วมันทุกรู้แล้วมันผิดรู้แล้วมันถูกรู้แล้วมันสงบก็รู้แล้วไม่สงบรู้แล้วไม่ใช่ว่ามันสงบเฮ้ยนี่ชอบไม่ซื่อหรอกไม่ใช่รู้ซื่อๆมันพุ่งช่านโอ้ยอย่างนี้ไม่ชอบนั่นไม่ใช่รู้ซื่อๆ มันผิดไม่อยากให้ป็นผิดทำไมจึงผิ ด, ผดไม่ใช่รู้สื่อๆถ้ามันถูกก็ อ, อย่างนี้ดีนั่นน่ามาใช่รู้สื่อๆ ส, สุขก็มีค่าผิดมีค่าถูกมีค่าทุกข์มีค้าในเวลาปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานเนยนันเหมือนกระถนเห็นอะไรมันทำไป น, นั่นแล้ว ไม่เห็นความหลงก็ทําความหลงแล้วไปแล้วหลงเห็นแล้วทำกระพุ่มหลงแล้วพ้นจากหลงได้แล้วเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงค้นจากความหลงแล้วไปแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เลี้วไปแล้วครั้งที่สามก็เล้วไปแล้วมันจะเหลืออะไร อะไรก็เห็นอย่างนี้นะ่ะอันดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายมไม่มีอยู่นย่นีหลวงพ่อเทียนสอนรู่ชื่อๆอย่างนี้เราลูล่อย่างนี้ไม่เห็นหลวงพ่อเทียนโอ้อยหลวงพ่อเทียนอยู่ตรงนี้เนาะไม่ใช่รููจากหลวงพ่อเทียนเห็นหน้าเราจากหัวใจหลวงพ่อเทียนสัมผัสกับหัวใจหลวงพ่อเทียน อันอื่นไม่ไม่เกี่ยวข้องเมารู้จักรู้เชียนในฐานะแบบนี้จึงมีควอมแม่นยามชัดเจนได้ชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้ ถ้าสอนอย่างนี้ใช่ไปใช่ไปใช้ได้ไปใช่ได้ไปจนเห็นไปดึกๆเห็นรูปทำเห็นนามทำพอเห็นรูปทำเห็นนามทำอ้าวจะมาเห็นหลวงพอ่งพอเทียนเด็กโสตูลหลวงพ่อเทียนทั้งฉลาดสมัยเห็นเรื่องนี้ได้เพแม่ก็ไม่เคยสอนใครย็งพ่อไม่เคยสอน เคยมีครูอาจารย์ม า, มากเหมือนกันไม่คยมีผู้ใดอสอนแบบน้ให้เห็นรูปธรรมเหมือนรูปเห็นนามเราดูไปดูไปทีแรกก็เป็นกายเป็นใจดูไปดูไปอันกายอันใจไม่ใช่กายใช่ใจมันเป็นรูปถ้าเป็นกายมันจนง่ายถ้าเป็นรูปไม่จนมันกวงขวาง ถ้ารอนก็คือกายเป็นตัวตนได้ง่ายถ้าหนาวคือกายถ้าปวดคือกายได้าหิวคือกายถ้าเห็นเป็นรูปเห็นเป็นอาการไม่ใช่กายอาการของรูปไม่ใช่เรียกว่าสุขให้เรียกว่าทุกข์ก็ได้เบชนาที่เป็น ที่เรียกว่าเวทนาสุขทุกข์ไม่ต้องเรียกเลยเรียว่าเป็นอาการของรูปการความโกรธความวิตกกังวลเหมองเป็นอาการของหนามมาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นจิตใจไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นอาการผิวเผินนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีรสชาติเหมือนกับเห็นเหมือนกับกายกับใจ แต่ความรู้การเป็จใจมีรสชาติมากกูกูโกรกูร้อนกูหิวเพรเห็นเป็นรูปเราไม่ใช่กูเลยเาาจเยไยยเ้ไม่สามารถเรียกว่ากูได้อายอายความเท็จความจริงไม่สามารถเรียกว่ากูหรือตัวตนได้เป็นอาการ ทำไมก็เลยเปลี่ยนแปลงเอ้หลวงพ่อเทียนไปทางนี้นาะเปลี่ยนแปล ง, งไง <c oughs> เปลี่ยนแปลงเป็นปัญญาแต่ก่อนเคยโง่เคยหลงมเป็นปัญญาแต่ก่อนเคยเป็นปัญหาเดีย๋ยวนี้เป็นปัญญา เปลี่ยนแปลงไปเป็นวิปัจฉนาวิคือวิเศษล่วงพ้นภาวะเดิมต้อง <c oughs> รู้เรื่องไหมหนึ่งนี่เฉงหนึ่งล่วงพ้นภาวะเดิมโอ้หลวงพ่อเทียนรู้จักแยก <c oughs> สมถะวิปัจฉนาตรงนี้ แต่ก่อนได้ยินแน่เขาว่าคนว่าฝึกสมรรคาฝึกวิปัชนาอะไรเป็นสมรรคอะไรเป็นวิปัชนามืนมันไม่ใช่ไปอธิบายมันเป็นการเห็นไม่ใช่คําพูด <c oughs> มันพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเห็นโนบะที่ตรงนี้ ส่วนอื่นไม่รู้แต่์รู้หลวงพ่อเทียนฐานะแบบนี้ <c oughs> จึงมีความผูกพันกับหลวงพ่อเทียนเป็นชีวิตของเราไปเลยนะผูกพันกับหลวงพ่อเทียนในะาะแบบนี้แยกไม่ออกมาใช้หลวงพ่อเทียนหมดภาพตายไปก็ไม่ใช่ สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นอยู่กับชีวิตเราเมอนเป็นหลวงพ่อเทียนที่ที่ให้ติดเป็นสิ่งที่ให้ติดหนห่ือสีย่อมสีอะไรมันก็ติดอันาานั้นชื่อ้มันติดมันเป็นปัญญาวิญญาคือมันติด ม่ใช่วิญญาณล่องลอยมันติดทิฏฐิอะไรติดภาวะที่ต่างเก่าพ้นมาภาวะเดิมเนี่ยจะให้เป็นใช้เป็นโกรธอีกมันโกรธไม่ได้ใช้เป็นหลงอีกมันหลงไม่ได้ใช้เป็นทุกข์อีกมันทุกข์ไม่ได้แต่คนมัติแบบนั้น่ะวิญญาณแบบนั้นมีวิญญาณแบบนี้ ในความหลงเมื่อก็มีวิญญาณมีพบมีภูมิเป็นเตก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นในสุรโลกการเป็นสัตว์นรกก็ได้ในความหลงในความโกรธในความทุกข์เกินกันเพราะมันเป็นวิปัจนาญาณถึสิ่งนั้นสิ้นไปเลยเดียวจะเรียกว่าปิดประตูอาบายภูมิได้เลยทีเดียวมันเห็นไหนอ๋อ มันร่วงพ้นภาวะเก่าเลยมามผูกพันกลวพ่อเทียนมากขึ้นมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นตึกไปเพิกไปมีสติไปเห็นไปเห็นปรามาจิ ต, ตจะบอกผิดบอกถูก ตลอดทางคงโกรธเป็นสมมุดพวกไม่โกรธเป็นปรมัติตมันจริงกว่าก่อนควกไม่เที่ยงเป็นเป็นอาการอะไรหนึ่งไม่ใช่ปรมาติตไม่ใช่สัจจะก็ไม่เที่ยงกว่าจริงแบบไม่เที่ยงจะให้ไม่จริงแบบไม่เที่ยงเป็นไปไม่ได้ ความทุกข์ก็จริงแบบความทุกข์แต่มันจะไม่จริงแบบคมไม่ทุกมันบกเป็นเจินตนาคําว่าทุกข์ปกครองมาเที่ยงสิ้นภพสิ้นชาติทุกข์ปกครอมาทุกข์สิ้นภพสิ้นชาติเมื่อทุกข์อริสัตยส่วนทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์มันก็มีอยู่แต่ทุกข์แบบนั้นกาหนดรู้ ด้วยการรู้ไม่มากแบบทุกนิจชนทุกการหายใจเข้าหายใจออกอันนี้มันเรียกว่าทุกเป็นนิจชนะของสังธรรมชาติทุกอาคารทุกกทุกคือต้องขับต้องถ่าย น, นั้นก็หมายชึทุกที่มันเป็นทุกอริยสัจทุกอริยสัจเนี่ยเ็จแล้วนะ มารู้จักหลบเทียนทางนี้มาเห็นมาเห็นแย้งเรื่องกุศลอกกุศลอกกุศลกับกุศลบอกทิศบอกทางแยกกันหน้าเด็ดขาด ใช่พูดเลยวเรียกว่ากุศลคือบุญไม่ใช่นะอนกุศลคือบาปก็ไม่ใช่นะอนกุศลมันเป็นทุกกุศลคือพ้นทุกเหมือนกับคนลราฝั่งกันอันหนึ่งงุดลอยอยู่ในห้องน้ําอันหนึ่งขึ้นขึ้นไปบนฝั่ง ถาจะเปรียบกุศลกับอกุศลอันหนึ่งอยู่ห้องน้ำวัตตะโอคาอันหนึ่งขึ้นฝั่งคนที่ขึ้นฝั่งก็เห็นคนอยู่ในห้องน้ำเพียนไหลแล้วก็ก็มาก็ต่างกันอยู่คนที่เขาสุขทุกทุก พอใจไม่พอใจดีใจเสีย ใ, ใจผู้ผู้แพร่แพร่ขับขึ้นฝั่งมันจะเป็นยังไงมันไม่เป็นอะไรคือมันไม่เป็นอะไรอีกไม่เห็นหลวงพ่อเทียนผูกพันกลบพ่อเทียนฐานะแบบนี้ดูจับคิดใจหลวงพ่อเทียนไม่ใช่รู้จักหน้าตาเราจึง ไม่ใช่ความจำเป็นการสัมผัสโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมที่เราทำกำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ที่จะเป็นรูปแบบเฉยๆมันเสร็จไปเป็นธรรมคนทำงานทำงานงานต้องเสร็จสร้างบ้านบ้านต้องเสร็จ ทำอะไรงานที่เราทำมันต้องเสร็จเราทำอะไรกรรมฐานาคือการไปทำอะไรเราทำเรามีสติมีสติเหมือนกับมีเครื่องมือทำงานมันหลงเหมือนกับงาน มสติเครื่องมือทํางานเสร็จไปแล้วเห็นรู้สึกตัวมันหลงรู้ทําแล้วอะไรที่ไม่ใช่สติสติจะทําให้เสร็จไปเสร็จไปเสร็จไปไม่เสร็จจริงๆนะถ้าไม่เสร็จไม่รู้วเราจะทำผับไปทำไหนปฏิบัติทำมันเสร็จไปมาตั้งแต่ความหลงความโกรธความโลภความทุกข์เสร็จไป เสร็จไปอะไรที่มันเป็นกานภาละหมดภาละไปหมดภาละไปเสร็จไปเสร็จไปเสร็จไปอย่างเดียวนี่จึงจำเป็นไม่ใช่เราจะหลงจนตายทุกจนตายโกรธจนตายมันเป็นขั้นสุดท้ายได้แต่มันก็ช่วยกัน ไ, ได้ กรรมฐ า, านเป็นตัวใครตัวมันทงแทนกันไม่ได้ไม่มีขั้งสุดท้ายได้ตอบได้เลยชีวิตเราเนี่ยนึ่งแล้วเอา้าแต่นี่ไปเราจะไม่เป็นเอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์จีกต่อไป ไม่เอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์อีกต่อไปจะมีกี่นาที่กี่วันกี่เดือนกี่ปีจะเอาหินแขนโคให้จมลงไปในน้ำก็จะไม่เป็นอะไรจะจับไปปล่อยเกาะไม่ให้อาหารกินก็จะไม่เป็นอะไรคือมันแล้วจริงๆ ภาษาอะไรที่มีความตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจภาษาอะไรได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจมันไม่ใช่อย่างนี้มันคลิปจ้อยเหลือเกินน้มันอ่อนเดอบางทีเอาชีวิตงให้อยไปเขียนไว้กับอะไรก็สุขความทุกข์ วลมล้คกามช่างกลมพอใจไม่พอใจเอาไปห้อยไปแขนกับสิ่งอื่นก็มีคนอื่นก็มีวัตถุอื่นก็มีก็เลยเปะบานแม้บางทีคิดขึ้นมาเป็นทุกข์ก็มีคิดขึ้นมานอนไม่ได้กินไม่ได้ก็มีน้าตาไหลงอนไม่หลับ เพราะความคิดก็มีเหมือนกันมันเปาะมาเกินไปงันก็ไม่เหมาะที่อยู่ในโลกและจะพึ่งใครเอาไปห้อยแขนที่ตรงไหนถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราจะไปพึ่งใครจะให้ใครพึ่งเราได้แม้มีใจก็พึ่งใจไม่ได้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรไม่มั่นใจตัวเอง มันก็ไม่สงกับศักดิ์ศรีคอ ว, ว่ามนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงสูงที่ตรงไหนกันจึงจำเป็นจำเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ช่วยกันมาได้ให้ทำเองบอกให้ทำบอกตรงไหนมีสตินะให้มีสติสติเป็นขอใครไม่ได้ขอใคร ประกอบขึ้นมากรรมฐานไปในกายวิสติไปในกายพระพเจ้าสอนอย่างนี้ก็ทำแบบนี้ผู้ทำตามอย่างนี้ตามตามคำสอนอย่างนี้เรียกว่ารู้รมเห็นทมหรือว่าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ทำตามใครทาด้วยตนเอง เจีงด้วยพระพุทธเจ้าเรีว่าตัดจารุผู้ที่ทําตามเรียกว่าพระสงฆ์งเห็นอะไรเห็นธรรมเหมือนกันเห็นธรรมเหมือนกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้ายุคนี้สมัยนี้ใครสอนเรารู้จักธรรมไม่หลมก็ับเด็ ก, น, ดกนั่งฟังเทพจากพระโอดพระพุทธเจ้าแสดงเพียงแต่เราได้ยินมาจํามา แต่ไม่มีใครสอนชัดเจนแม่นยำเหมือนหลวงปู่เทียนเราโร้ยปีมานี้จึงเรียกว่าเห็นตามพ่อก่อตามครูแต่ว่าเทียนเป็นครูของเราพระเจ้าเป็นบรมครูของเราทำให้เราจักธรรมะเมื่อเราจักธรรมะรู้จักพระพุทธเจ้า ผู้รูดตามความสอนปฏิบัติตามความสอ น, สอนชื่อว่าพระสงค์พระสงฆ์เกิดจากพระสัทธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้นไม่ใช่พระสงค์เกิดจากอา่านออกบวชการบวชออกจากโบสถออกมาเป็นพระสงค์อันนั้นก็สงส ม, มุติไม่ใช่สงพระตะไตยสงพระตะไตยเกิดจากการปฏิบัติธรรมมีการเกิดจากพระศัทธธรรมมีการปฏิบัติดีเป็นต้น ปฏิบัติดีอย่างไงสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วคือมีสติอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติออกจากทุกษามฆีปฏิปันโนปฏิบัติสมควรตรงไหนตรงยังไงเงินหลงตรงกับคนไม่หลง อย่าไปครลบความหลงตรงต่อธรรมความไม่หลงเป็นธรร ม, มหลงไม่เป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมปฏิบัติตรงแบบนี้พระพุทธเจ้าต้องปวงคลาบพระธรรมได้เป็นมาแล้ว เกเป็นอยู่ต่อไปด้วยบัดดี้เราอยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติตามทําอย่างไรเชื่อไหมเชื่อเราทำท ำ, ทำลงรู้ไหมเด็กมันหลงผมหลงไม่เป็นธรรมผมไม่หลงเป็นธรรมแล้วมีสิทธิไม่หลงแล้วมันโกรธมราไม่สติไม่โกรธ แล้วมันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์นั่ น, นรเรียกว่าสฉติลอยไปเฉินแล้วก็ไม่ต้องไปขออนุญาต จ, จากใครฉันหลงแล้วขออนุญาตไม่หลงได้ไหมไม่มีเลยปัด จ, จัดตั้งของใครของเราดีแล้ว ก็หลงจะได้ไม่หลงตรงนั่นปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงออกตัวปฏิบัติออกทุกที่นั่นปฏิบัติสมควรสมควรทุกครั้งทุกเขาทําอย่างนั่นไปทําอย่างนั่นไปทุกครั้งทุกคราวไม่ใช่มีการมีเวลาเวลาไหนก็ทําแบบนั้นยืนอยู่นอนอยู่ น, นั่งอ ย, นอนอยู่เดินอยู่ทําแบบนั้นเามื่อนอนอยู่เมื่อหลงเปลี่ยนหลงไป็ไม่หลง ถ้าเดินอยู่มันทุกเปลี่ยนทุกเป็นไปทุกทําอะไรอยู่ที่ไหนถ้ามันถ้ามันมีแบบนี้ก็เปลี่ยนได้อย่างนี้เรปฏิบัติสมควรปฏิบัติตีปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรกู ท, ทาอย่างนี้เรียกว่าพระสงฆ์ปฏิบัติปมงมจันปฏิพฤตปมงมจัน์ประพฤต่างเล น้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนี่แหละพมจรรย์น้าหลงเป็นหลงเปรื่เพื่อนไม่ใช่พมจรรย์น้าทุกข์เป็นทุกข์เปรื่เพื่อนแล้วไม่ผมไม่ใช่พมจรรย์ถ้ามันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจอบทุกข์นี่แหละพรหมจรรย์สะอาดไปแล้วสะอาดไปแล้วสะอาดไปแล้วซักไปแล้วถอนไปแล้วลือไปแล้วก็สะอาด หลวงพ่อเทียนช่างสอนให้เราเลยทำสิ่งที่เราทำได้ปฏิบัติในสิ่งที่ทำได้นะเพื่อทำกันพระผู้มีพระพเจ้าตัดไว้ดีแล้วปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการควรเชิญให้มาดูควรเรียกให้คนอื่นมาดูควรประกาศให้มาดูเป็นปัจจิตังของใครของมันไม่ใช่ของ ทำให้กันละนี่คือปฏิบัติธรรมต้องเป็นงานแบบนี้ไม่ใช่มีวิธีแบบไหนไม่ต้องใช้หัวคิดปัญญาไม่ใช่ต้องใช้มันสมองใช้การกระทําลงไปไม่มีการกระทําลงไป1ิบซีจังบะรู้1ิบรีข้าง รู้ทีลังค่างไม่เกินวินาทีย า, ากไม่เกินนั่นไวก็ไม่เกินพอดีพอดีเดินวินาทีหนึ่งเก้าทีหนึ่งวิ น, า, นาทีหนึ่งเก้าเทีหนึ่งบทพวกครับถ้ารู้ทุกเวนาทีนะจะเกิดอะไรขึ้นนิงเคยหัดอย่างนี้บ้างไหมที่อื่นมันก็ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆจำเป็นต้องจัด โคตแบบไน่ขึ้นมาเจยดปัดมากให้มีสติทุกนาทีไม่มีใครไปใช่ท่านเอาเลยยกมือสร้างจาังหวะสิบสี่จังหวะวินาทีแล้วรู้มันต้องมากแน่นอนมหาลู้แน่นอนมันหลงมันแต่มากกว่าลู้ มันก็ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงลูล่มากกว่าหลงทำมาใหม่หลงมากกว่าลู่ทําไปทำมามลู่มากกว่าหลงจนในที่สุดไม่ต้องอาศัยจังหวะสร้างมือไม่ต้องอาศัยตรงไหนในภาวะที่ลู่มันเป็นทั้งหมดของชีวิตเราเราหายใจก็ไม่ใช่หายใจคือความรู้สึกตัวเดินก็ไม่ใช่เดินคือความรู้สึกตัว อะไรทั้งหมดเคยความรู้สตัวเพราะสติเป็นเจ้าของมันติดอย่างนี้มันเป็นวิญญาณแบบนี้เรียกว่าเป็นทำให้มันเป็ น, ปนถ้ามันเป็นแล้วอันนี้มันไม่ลื ม, ลมไม้ใช่ความรู้ความรู้ใครก็สอนได้ ม, มีสอนกันทุกๆ ท, กที่มีถึงมหาวิเลย แต่การสอนให้เป็นนี่ยไม่มีใครสอนเราได้ไมีแต่เราสอนตัวเราเองนะจึงมาได้แต่เพียงว่าเป็นเพื่อนกันบอกมันอ่านี้แล้ก็สงสัยแล้วก็ถามถ้าไม่มีคำถามก็ถามข้าไปบางทีมันมันทำให้เราเกิดปัญญาได้ บางทีคำถิ่เราต้องถามทั้งไปก่อนอาจจะไม่ต้องถามไม่ต้องถามทำไปเสีก่อนขช่นมาเกิดอะไรขึ้นมาทำไปเสก่อนมีสติไปก่อนเอาไปมาคําที่บอว่าแต่ถามมันไม่ต้องถามเลยพอทํ า, าไปแล้วมันแก้ไปในตัวมันเองถ้ามีสตินะถ้าไม่ มีสติมันก็เกิดคําถามหาคําตอบจากความคิดมันก็ไม่ใช่นะคําตอบจากความคิดไม่ถูกคําตอบไม่ใช่เกิดจากความคิดมันเกิดจากการพบเห็นมาใช่คิดเห็นคิดเห็นน่ะคิดเอาก็ได้แต่พบเห็นมันปัจจัต่างคิดเห็นไม่ใช่ปัจจต่างไกลเกินไป พบเห็นเป็นปัจจตังเดี๋ยวนี้เป็นของใครของมันปัจจตังเบยคิดเาู้เโยหิติเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมแบบนี้ปฏิเสธหลวงปู่เทียนไม่ได้เรามีสิทธ์แต่เป็นสิตธ์ที่มีครูครูของเราคือหลวงพ่อเทียนอยู่ที่ไหนหลวงพ่อเทียนพาไปทำไป กาพูดการคิดมันเป็นชีวิตของเราไปเลยของพระเทียนเราพระเทียนเคยชีวิตของเราจะมาใช้ชีวิตส่วนนี้ให้เป็นอื่นไปนอกจากมาใช้เป็นธรรมจะบอกแต่เท่านี้มันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงทำไเติดขาด มันโกรธเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธท่านทุกข์เปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์มืนเป็นอะไรที่มันเป็นทั้งหลายทั้งหลายมันต้องเป็นไปกับมันไม่แต่เห็นมันเห็นมันไม่เป็นเห็นไม่เป็นกับอะไรมันมีมากมายแต่เห็นไม่เป็นมีนี่สิทธิของเราทําได้จริงๆนี่เรียกว่าพับใส่กระเป๋าได้ เห็นไม่เป็นไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรมันสุขมันสุขไม่เป็นผู้สุขะนะมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกขนะ์นั่นแหะนี่แหละคือสุลุกกรรมมือเดียวแต่ะทิศจริงอย่างไง จะไปคิดมาแต่มันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงนั่นแหละเก้าแรกถ้ามีเก้าแรกมันก็ไม่มีเก้าที่สองมันทุกข์หรือและเปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์ถ้าเก้าตรงนี้เป็นเก้าตรงนั้นเป็นก็ไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อยไกลจากกิเลสเราหัางคู่ไกลจากกิเลส ผู้กายจักเกิดคือผู้มีสติผู้มีสติเป็นผู้มนีตาหน้าโลกเรียกว่าหน้าโลกหน้าโลกคือพระขีณาสกุลพระขีณาสกคือพระละหันผู้มีสติเป็นหน้าโลกพระเจ้าหันคือรูปร่างลักษณะละหันคือผู้มีสติเป็นหน้าโลก กินนอสุเป็นได้ทุกคนไม่ต้องนุกก่งกางแจงไม่ต้องนุ่งเจ้าไหนนุกก่งกางแจงนุ่งผ้าถาวผ้าดำได้ทั้งนั้นเนื้อสมมุติเป็นปรมาทาร้นนุ่งผ้าเหลืองนุ่งผ้าขาวเป็นสมมุติปัญญัตออกบวชเป็น เม่เกี่ยวข้องโดวยบ้านเรือนเรียกว่าอะไรนีคือสมมติปัญญามีมาแล้วตั้งใ่ไหมครับพระเจ้าบันเกิดความสะดวก ในการปฏิบัติธรรมแม้แต่พระเจตะก็เห็นสำนัออกบวดได้อาศัยเพศนี้ออกบวดเพื่อศึกษาเรื่องนี้มีมานานแล้วนี่ก็สะดวก ประเทศไทยม่วัดมีว่ามีพระสงฆ์ใช่ได้นอกจากการปฏิบัติธรรมประเทศเอื่นก็ไม่มีพุทธศาสนาในมังไทยเป็นศาสนพิธีศาสนบุคคลศาสนวัตถุศาสนธรรม สี่อย่างข้ามจวนเอาไว้เนี่ยศาสน บ, บุคคลก็คือพระสงฆ์นม่โจมมีศาสน บ, บุคคลก็คืออุปถรัมภ์บรุงศาสะนะ บ, บุคคลที่เป็นพระสงฆ์ศาสนวัตถุคือวัดบาลามศาสนพิธีก็จก ที่นั่งที่อยู่อยอดโจมนั่งอยู่ที่โน่นพระสงฆ์นั่งอยู่ที่นี่แม่คีนั่งอยู่ที่นี่สารพิธีวิธีกราบไหว้ละหั้งสัมมาชมุทโธภคะวาตัอเฉิญพุทธคุณธรรมคุณสังคุณสารพิธีสาร ธ, ธรรมอันเดียวกันมีสติพระภิสงฆ์มีสติ ญาติโยมมีสติอันเดียวกันผู้หญิงมีสติอันเดียวกันกระหนุ่มคนเก่มีสติอันเดียวกันศาสนวิธีสารนวัตถุสารนบุคคลมันต่างกั น, นส่วนศาสนธรรมอันเดียวกันนี่คือของจริงทุกเป็นอยาน่างนี้ไม่มีศาสนาะไมามีลทัทธิในการเช่นสติ แต่เป็นศาสนาไหนก็ได้คือรู้สึกระลึกได้ไม่มีลัทธินิกายและนีเป็นศาสนธรรมประเทศไทยสมบูรณ์แบบทั้งหมดให้เกิดความสะดวกในะการเข้าถึงศาสนาธรรมจึงน่าภูมิใจมากประเทศไทยเนะี่ย ก็มีสารวัตถุก็อาชนะได้มีวัดวาอารามมีพระสงฆ์เป็นครูอาจารย์เป็นเพื่อนเป็นมิตรแต่ไม่พาหลงทิศหลงทางมีอยู่จริงนะดังนั้นนีก็ไม่รู้วาจะเอาที่ไหนกันจะเวลาไหนมันต้องเป็นเดี๋ยวนี้ผู้นี้ก็ไม่มีนะ เมื่อวานก็ไม่มีมันมีเดี๋ยวนี้จะทําดีก็ท่นเดี๋ยวนี้เล่าความชั่วก็ล่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่าความชั่วพรุ่งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นปัจจตังคือเดี๋ยวนี้แหละเอาเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเริ่มไปเรื่อยๆไปใรู้สึกไปรู้สึกไปทำเบาๆทําสบายๆรู้ซื่อๆอมยิ้มเยี่มยมแจม่มใสอยาไปอยากรู้อยากเห็นอยาไปเอาผิดเอาถูก มันผิดเห็นมันผิดมันถูกเห็นมันถูกซื้อไปแบบเนี้มันจะสะดวกแต่ผิดเป็นผิดมันมันไม่บรรลุทําได้ง่ายถ้าผิดเห็นมันผิดบรรลุทําได้ง่ายถ้าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกมบรรลุทําได้ยากเห็นมันผิดง่ายเป็นผู้ผิดนะทุขเป็นสุกขบรรลุทําได้ยาก ทุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกันรู้ทําได้ง่ายจากนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่นั่งไม่เช่นนอนไม่นอนไม่หลับไม่ใช่แบบนั้นหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงบรรลุธรรมได้ง่ายถ้าหลงเป็นผู้หลงมันรู้ทําได้ยากตรงนี้จัดสรรกับชีวิตเราให้ดีๆเริ่มต้นให้ดีมันจะไปง่ายถ้าเริ่มต้นไม่ดีมันก็ไปได้ยาก ตั้งต้นมาดีแล้วก็ผิดไปเลยลเราจึงจับหลักให้มันได้การปฏิบัติธรรมเลยพยายามถามครูาอาจารย์อาจารย์ทรงเินก็เป็นกรรมฐานแม่ไก่อยู่กับพวกเราตลอดเวลานอนตากเกลยไม่ค่อยจะได้อยู่จะไปโน้นไปนี่อยู่ วันนี้ก็สมควรเจรเวลาโทษมากหน่อยกว